สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสันนิยสนทนานะคะที่มีดิฉันสันนิยนนาคพง์เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ก็ล่วงเข้ามาวันพฤหัสบดีค่ะที่สถานีวิทยุ FM106 ครอบครัวข่าวกับวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ซึ่งเราเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ก็จะเป็นการได้พบกับพระมาร์คชาคาวโรแห่งวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิตามคําเรียกร้องของท่านผู้ฟังนะคะที่อยากจะฟังพุทธวัรทำวินัยจากพุทธโอษ ท, ที่เป็นเนื้อเนื้อแล้วก็มีการขยายความให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นท่านมาร์คเนี่ยนะคะก็จะนำเอาเนื้อหาคําสอนจากพระโอษของพระพุทธองค์จากหนังสือที่ชื่อว่าขุมทรัพย์จากพระโอษ มานำเสนอในวันพระหัสเสบดีส่วนในวันศุกร์ก็จะเป็นเรื่องราวจากหนังสือในชุดอริยสัจจากพระโอธ์ใครที่อยากรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยนะคะก็ติดตามได้เนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้นในสองวันนี้ด้วยอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้ละเลยในช่วงวันจันทร์ถึงวันพุทธที่ผ่านมานะคะก็ยังเข้มข้นด้วยการเอาเรื่องทางโลกให้ท่านเพรบุญอภิปุลโนแห่งวัดป่าดอนหายโศจังหวัดอุดรธา น, นีเนี่ย มาสนทนาในช่วงถามโรคตอบธรรมได้เช่นเดียวกันวันนี้ดิฉันเองได้กลับเรียนท่านมากนะคะว่าอยากจะให้ท่านได้ร่วมสนทนาตั้งแต่ตอนต้นของรายการเลยเพราะว่าเพิ่งทราบข้อมูลใหม่แล้วก็จะเป็นข้อมูลที่ทําให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่เป็นประจำเนี่ยได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นก็คือการที่ทางวัดนาป่าพงศ์โดยท่านอาจารย์คึกฤทิ์โสธิพโลเนี่ยนะคะจะจัดให้ พวกเราเนี่ยสามารถเข้าถึงธรรมะจากทางวัดเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทางเครื่องมือสื่อสารในยุคปัจจุบันนี้ก็คือพวกไอที IT นะคะคือพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆเดี๋ยวจะกลับเรียนถามท่านในขณะนี้เลยกันลวกันนะคะนะมัสการค่ ะ, จะเจริญพรค่ะตอนนี้ได้ยินว่า ไม่ต้องไปฟังธรรมที่วัดก็สามารถฟังอยู่ที่บ้านได้แล้วใช่อย่างไรก็ต้นคะตามปกติเนี่ยทุกวันเสาร์ช่วงหกโมงถึงสามทุ่มเนี่ยพระอาจารย์จะจัดให้มีการนั่งสมาธิรวมสักชั่วโมงหนึ่งหกโมงถึงทุ่มหนึ่งหลังจากทุ่มหนึ่งเนี่ยถึงประมาณสามทุ่มพระอาจารย์ก็จะบรรยายธรรมสนนาธรรมซึ่งปีนี้เนี่ยพระอาจารย์คริสได้เน้นเป็นเรื่องของการสอนเรื่องของปฏิจจสมุปบาทจากพระโอทุ่แล้วก็ ช่วงสอามวันที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทดลองการถ่ายทอดช่วงที่พระอาจารย์สอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษ์เนี่ยผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยที่ผู้ผู้ผู้ผู้ที่อยู่ทางบ้านเนี่ยหากมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า w w w w a t n a p com w a t n a p p com ซึ่งเข้าไปก็จะสามารถ ในช่วราตรู่มหนึ่งเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดสดออนไลน์ให้ดูได้แล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่มฟังก์ชันที่ผู้ที่ได้ฟังธรรมเนี่ยสามารถจะพิมพ์ข้อความเข้าไปถามได้สดๆเป็นการแชทอย่างเงี้ยนะคะลัะาากษณะครับกับการแชทแตชทาชทางธรรมเพราะว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกได้มากยิ่งขึ้นเลยนะคะใช่ก็ทําให้ผู้ที่อยู่ทุกที่ในโลกเนี่ยณเวลาทุ่มหนึ่งของเวลากรุงเทพเนี่ยก็สามารถเข้ามาฟังธรรมได้ค่ะ เ, เข้าไปอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ watnap.com จำง่ายนะคะ NAP เนี่ยขอให้จำว่ามีตัวพีสองตัวเท่านั้นเองแล้วพอเข้าไปในนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าตำแหน่งแห่งที่ในการที่จะฟังธรรมหรือว่าจะเขียนเข้ามาถามได้อย่างไรต่อไปนี่จะมีการพัฒนาให้เข้มข้นมากกว่านี้ยังไงคะท่านคะตอนนี้กลังทดลองอยู่ระบบอาจจะ ค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วก็จะดูความสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆที่บอกว่ายังไม่ได้เต็มระบบนี่เห็นบอกว่าเกี่ยวกับการเดินสายโทรศพัพท์หรือยงคะใช่เพะตอนนี้ทางวัดใช้ อ, อินเทอร์เน็ตผ่านจานที่ใช้เรียกว่าเป็นระบบไมโครโวเวฟซึ่งที่ทราบมาก็คือว่าถ้าเกิดฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจเนี่ยอินเทเอร์เน็ตกระจายล่มหรือว่าใช้การไม่ได้ก็ทําให้การแพร่ภาพในการศึกษาเนี่ยาาขัดข้อง แต่ก็เรียกว่าพอได้พอได้ก็เป็นไปตามมีตามได้ตามเหตุปัจจัยนะคะเผื่อว่าต่อไปภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เขาเดินสายเนี่ยเขาเห็นคุณประโยชน์ของเมืองที่มันก้าวไปมากยิ่งขึ้น <c oughs> เขาก็อาจจะไปเดินสายให้สะดวกมากกว่า น, นี้ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็ถือว่าท่านฟังสะดวกมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งแล้วนะค ะ, <c oughs> ะไม่ สามารถไปที่วัดได้ก็เข้าไปทางอินเทอร์เน็ตไปฟังทำได้เช่นเดียวกันในคํำวันเสาร์นะคะเดี๋ยวไปพบกับท่านอาจารย์ในช่วงถามโลกตอบธรรมกันแล้วกันนะคะที่จะนำเอาคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มานำเสนอคะ่ะ